พระสุธรรมวิวาทกับจิตตะคหะบดีครั้นล่วงราตรีนั้นไปจิตตะคหาบดีได้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ถวายภิกษุผู้เถระทั้งหลายสมัยนั้นท่านพระสุธรรมคิดว่าถ้ากระไรเรา ควรตรวจดูของเคี้ยวของฉันที่จิตตะคหาบดีเตรียมถวายภิกษุผู้เถระทั้งหลายพอถึงเวลาเช้าจึงนุ่งอันตรวาศถือบาตรและจีวรเข้าไปนิเวศของจิตตะคหบดีนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลาดับนั้นจิตตะคหาบดีเข้าไปหาท่านพระสุธรรมไหวแล้วนั่งณที่สมควร ท่านพระสุธรรมบอกจิตตะหาบดีผู้นั่งณนที่สมควรแล้วว่าท่านเตรียมของเคี้ยวของฉันไว้อย่างเพียงพอแต่สิ่งหนึ่งคือขนมแดกงาไม่มีในที่นี้จิตตะหาบดีกล่าวตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อพระพุทธพจน์มีอยู่มากมายแต่พระสุธรรมกลับมาพูดว่าขนมแดกงา ท่านผู้เจริญเคยมีเรื่องเล่าว่าพวกพ่อค้าชาวทักคีนาบทเดินทางไปค้าขายแถบตะวันออกพวกเธอนำแม่ไก่มาจากที่นั้นต่อมาแม่ไก่สมสู่กับพ่อกาก็ออกลูกเวลาที่ลูกไก่ตัวนั้นจะร้องอย่างกามันก็ร้องเสียงกาผสมเสียงไก่เวลาที่จะขันอย่างไก่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 ท่านผู้เจริญกระผมมิได้ดา่าบริพาทท่านขออาราธนาท่านอยู่ในอัมพาตกะวันอันรื่นรมเมืองมัชิกาสนเถิดกระผมจะดูแลเรื่องจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศสัตวบริขารสำหรับท่านแม้ครั้งที่สองท่านพระสุธรรมก็กล่าวกับจิตตะคหาบดีว่า ขหบดีท่านดาบริพาตอาตมานั่นวัดของท่านอาตมาจะไปละจิตตะขหบดีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมมิได้ดาบริพาตท่านขออาราธนาท่านอยู่ในอัมพาตกาวันอันรื่นรมเมืองมัชชิกาสนเถิดกระผมจะดูแลเรื่องจีวรบินทบาทเสนาสนะ และกิฬานาปัจจัยเพศสัตวบริขารสําหรับท่านแม้ครั้งที่สท่านพระสุธรรมก็กล่าวกับจิตตคหาบดีว่าคหาบดีท่านดาบริพาตอาตมานั่นวัดของท่านอาตมาจะไปละจิตตคหาบดีถามว่าท่านผู้เจริญท่านจะไปไหนท่านพระสุธรรมตอบว่า